ตัดหอาอธรรมใส่ห้าธรร ม, ใ, รรมในที่นี้คือธรรมะนะครับผมอยากฝากอีกว่าการดำเนินชีวิตของพวกเราให้พยายามตัด5อาอธรรมและใส่ธรรมะ5้าตัวได้ไหมอธรรม5้าตัวที่ต้องทำลายคือหลงโลภโง่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 เติบโตมากี่สิบ ป, ปีที่ผ่านภาพที่เห็นคือท่านทำงานทุกวันเมื่อไรเราทำอะไรที่เกิดท้อแค่มองดูรูปบนข้างฝากจะได้กำลังใจจากรูปนั้น จะรวยหรือจนหรือว่าจะใกล้ไกลเป็นรูปที่มีทุกบ้านด้วยความรักด้วยพักดีด้วยจิตใจจะขอตามรอยของพ่อ คำว่าเพียงและพอจากหัวใจเป็นลูกที่ดีของพ่อด้วยความรักด้วยพัดดี